กราบบูชาพระรตนตรัยกราบบูชาครูบาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนก็กราบคารวะพระอาจารย์ไพศสารขอโอกาสอัคณะสงและก็เจริญพรมายังแม่ชีนะูบาสุขบาสิกาทุกท่าน <c oughs> วันนี้ก็ตรงกับวันอังคารนะที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคม พุทศกรา 2,557 นะถ้านับตั้งแต่วันเข้าพรรษามาก็ถือว่าเกินครึ่งเดือนนะประมาณสองาทิตย์กว่านะก็เป็นบรรยากาศนะของการที่เรามาร่วมกันใช้ชีวิตนะเป็นชีวิตแห่งการฝึกฝนอบรมตัวเองนะซึ่งใน ทางพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นเรื่องของการที่เราพยายามจะมาพัฒนาชีวิตของเรานะให้เจริญงอกงามซึ่งมันก็มีคำที่ใช้นะในภาษานะพุทธศาสนาในอยู่สองคำด้วยกันนะคือคำว่าสิกขานะซึ่งคำว่าสิกขาเนี่ยมันคล้ายๆกับคำว่าศึกษาแต่ว่าสิกขาจะเน้นไปตรงที่การฝึกอบรม ไม่ใช่เพียงแค่เรียนรู้จดจำเอาไปพูดคุยหรือเอาไปสอนคน น, นู้นคนนี้นะแต่ว่าเป็นเรื่องของการที่เราพยายามจะฝึกฝนรบรมตัวเรานะเพื่อให้เกิดการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้านะเพื่อให้พ้นจากปัญหาต่างๆนะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานะแล้วก็มีคำหนึ่งคือคำว่าภาวนา นะซึ่งคำคำนี้ก็เป็นคำที่นิยมใช้กันอยู่คำว่าภาวนาเนี่ย <c oughs> ส่วนใหญ่ไปเข้าใจว่าเป็นการท่องบนบริกรรมอ้อนวอนนะซึ่งคำคำนี้เนี่ยในความหมายที่แท้ จ, จริงนะที่ท่านเจ้าคุณประยุทธ์ได้พูดไว้ชัดเจนว่า <c oughs> มันหมายถึงการที่ทำให้ชีวิตเนี่ยเจริญก้าวหน้านะซึ่งในคำศัพท์ของ ในทางวัตถุเราเรียกว่าการพัฒนาพัฒนาให้ถนนหนทางเจริญก้าวหน้าให้สะดวกสบายทีนี้ถ้าเรามาใช้กับชีวิตส่วนใหญ่เราก็ใช้คำว่าภาวนาปัะฉะ น, นันนี้ก็จะขอพูดเรื่องชีวิตแห่งการภาวนาการที่เรามาใช้ชีวิตร่วมกันที่วัดป่าสุกตโตเนี่ยก็มุ่งหมายที่จะให้เรา ได้ทำให้ชีวิตเนี่ยเจริญงอกงามไปในหนทางที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ซึ่งเราก็ได้สาธยายมนไปเมื่อสักครู่นี้น <c oughs> ในเรื่องของการ <c oughs> ภาวนานมีตั้งแต่การที่เรามีการพัฒนาในระดับเบื้องต้ น, นก็คือการพัฒนากาย เรียกว่ากายภาวนาการพัฒนากายในที่นี้เนี่ยถ้าเป็นความหมายโดยทั่วไปเราก็หมายถึงทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีไม่มีโครคภัยไข้เจ็บนะนั่นก็เป็นความหมายโดยทั่วไปนะก็ถือว่าเป็นเป็นกายภาวนาเหมือนกันแต่ว่าเป็นภาวนาในลักษณะทั่วไปแต่ว่าใน <c oughs> ในการฝึกฝนอบรมนะตามหลักไดสิกขานั้นนะเรามุ่งหมายไปถึงการพัฒนาอินทรียนะ์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนะที่เราใชนะ้ในการที่เราจะรับสิ่งต่างๆนะจากโลกภายนอกนะอย่างเช่นเราการที่เราใช้ตาดู <c oughs> หูฟังก็ดีจมูกดมกลิ่นก็ดี ลิ้นลมริมรถหรือกายสัมผัสนะบางทนะีเราก็ไปดนะูในสิ่งที่ทําให้เกิด <c oughs> สิ่งที่ทําให้เกิดความไม่ดีในไม่ดีงามในจิตใจของเรานะไปดูที่ทําให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจนะทําให้เกิดความอยากนะทําให้เกิดราคะต่นะางๆนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้อง มีความสำรวมระมัดระวังนะในการที่เราจะใช้ตานะดูในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์นะสิ่งที่เป็นคุณค่านะแล้วเราก็พยายามที่จะไม่เลือกดูนะในสิ่งที่ทำให้เกิดโทษขึ้นมานะหรือแม้แต่การ <c oughs> กินนะเอาง่ายๆเรื่องการกินเนี่ยนะเราก็รู้จักเลือกอาหารที่จะเป็นประโยชน์นะ ไม่เป็นโทษนะแก่ร่างกายของเราไม่ไม่ให้ความสำคัญนะกับเรื่องของสิ่งที่จะเป็นโทษนะแม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะมีรสชาติอริดอร่อยนะแต่ว่ามันอาจจะเกิดปัญหาในภายหลังนะอย่างปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าเครื่องดื่มชนิดต่างๆที่เขาโฆษณากันนะว่ามีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้นะโดยเฉพาะเครื่องดื่ม ประเภทชาเขียวก็ดีนะหรือว่าพวกน้ําหวานทั้งหลายก็ดีสิง่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราบริโภคมากเกินไปนะก็จะทําให้เกิดโครคภัยแค้เจ็บได้นะอย่างโรคเบาหวานนะหรือว่าอาหารการกินที่มีไขมันมากเกินไป <c oughs> มีรสชาติอร่อยนะตรงนี้เราก็อาจจะทําให้เกิดปัญหานะโครคภัยแค้เจ็บโรคเกี่ยวกับไขมัน โรคเกี่ยวกับหัวใจได้นะซึ่งตรงนี้เราก็มีความสํารวมระวังนะในการที่เราจะเอาอะไรเข้าไปในร่างกายของเรานะหรือกินให้มันพอเหมาะพอดีนะอย่างอาหารการกินที่เราได้กินกันในตอนเช้าหรือตอนเพลนก็ดีนะถ้ากินมากเกินไปนะมันก็จะอิ่ ม, มนจะแน่นทำให้ง่วงเหงานอนนะก็ทำให้เราไม่มี <c oughs> กำลังหรืออาจจะไม่มีจิตใจนะในการที่เจะฝึกปฏิบัตนะินี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เร า, าควรจะได้ทําให้มันพอเหมาะพอดนะีรู้จักเลือกสิ่งที่จะเอาเข้ามาที่ตัวเราแล้วก็เอามาในปริมาณที่พอเหมาะพอดนะีนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนของกายภาวนานะโดยเฉพาะในส่วนของอินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะโดยหลักก็คือ เราพยายามที่จะรับเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์เข้ามานแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงนสิ่งที่เป็นโทษนในปริมาณที่พอมพอดีที่ทําให้ร่างกายของเราสามารถดํารงอยู่ได้สามารถที่จะใช้นร่างกายเราเพื่อทําสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนหรือเพื่อที่จะเจริญสตินให้ถึงที่สุดนแห่งทุกข์ นะซึ่งก็เป็นเป้าหมายนะของการที่เรามาใช้ชีวิตของการที่เราเกิดมาในโลกนีนะ้นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตนะที่เรียกว่ากายภาวนานะ <c oughs> นอกจากในส่วนของร่างกายเราแล้วเนี่ยนะก็ยังมีส่วนที่เราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะอย่างที่วัดป่าสุขับโตเนี่ยเรามีธรรมชาตนะิที่ลมลื่น เงียบสงบนะเราก็อยู่กัน <c oughs> แล้วก็พยายามรักษาสิ่งแวดล้อมนะดูแลต้นไม้นะช่วงใดที่มีไฟป่าเข้ามาเราก็ช่วยกันในการที่จะดับในการที่จะป้องกันนะรวมตลอดจนถึงบริเวณลานหินโคง้งนะที่มีใบไม้นะปกคลุมนะเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตนะิพยายามที่จะกวาดเท่าที่จำเป็น นี่ก็เป็นการถือว่ า, เ, าเป็นการดูแลนะสิ่งแวดล้อมนะที่เป็นธรรมชาตินะเพื่อที่จะเกื้อกูลนะให้เกิดความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของมันนะในบางพื้นที่ของวัดป่าสุโกโ ต, โตเราก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ตรงนั้นเราต้องการที่จะอนุรักษนะ์ความเป็นธรรมชาติเอาไว้นะเพื่อเกื้อกูลนะแก่การที่เราจะใช้ชีวิต นะให้กลมเกินกับธรรมชาติและก็เป็นการฝึกฝนตัวเราเองไปด้วยนะนี้ก็เป็นส่วนของการาพัฒนาชีวิตในส่วนของกายนะเป็นส่วนแรกนะส่วนที่สองนะก็คือการพัฒนาในเรื่องของความประพฤติก็นะเรียกว่าศีลภาวนาคำว่าศีลนะในที่นี้เนี่ย <c oughs> ก็หมายถึงสิ่งที่เราจะประพฤติปฏิบัตินะต่อ คนอื่ น, นที่จะอยู่กันด้วยความสงบสุขไม่เบียดเบียนกันมีเมตตาต่อกันมีเกื้อกูลต่อกั น, นแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน น, นี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สังคมหรือการอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นสงบสุขแล้วก็เอื้อประโยชน์นต่อการที่เราจะมาใช้ชีวิตเพื่อการศึกษา นะที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกขนะ์นี่ก็เป็นส่วนที่2นะก็คือศีลศีลภาวนาซึ่งศีลภาวนาเนี่ยนะก็อาศัยการประพฤติปฏิบัตนะิตามระเบียบตามวินยัยนะที่ได้ตกลงกันเอาไว้หรือตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้กำหนดกฎเกณฑ์เอาไวนะ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์เนี่ยเราก็ปฏิบัติตามวินยัย ที่พุทธองค์ได้บัญญัติไว้ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เกิดความเรียบร้อยความสงบสุขซึ่งตรงนี้ก็ทาให้เป็นส่วนเกื้อกูลกับการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่กันด้วยดีนี่ก็เป็นส่วนที่สองก็คือศีลภาวนาส่วนที่สามก็เป็นเรื่องของการพัฒนาชีวิตในส่วนทางด้านจิตใจ เราเรียกว่าจิตภาวนานนในส่วนของจิตใจเนี่ยนะก็คือการที่ทำอย่างไรนะให้จิตใจเรามีความหนักแน่นมั่นคงนะมีสุขภาพจิตที่ดีนะซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่เรามาร่วมไหวพระสดมนร่วมกันนะการทำวัดเป็นประจำนะส่วนนี้เนี่ยนะนอกจากจะเป็นเรื่องของศีลภาวนาก็คือการที่เรามาร่วมกันนะประพฤติปฏิบัต น ะ, ะร่วมกันนะมีความสมัครสมานสมัคคีนะแล้วก็อย่างนน้อยเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะสลัดนะความง่วงเหงาเศร้าซึมนะความสะดวกสบายนะถ้า <c oughs> ไม่มีกิจกรรมนี้นะบางคนก็อาจจะนอนหลับสบายนะหรือบางคนก็อาจจะตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะปฏิบัติตัวเราเอง แต่ะป้ะนั้นในส่วนของจิตภาวนาเนี่ยนะเป็นเรื่องของการที่เราพยายามที่จะฝึกฝนอบรมตัวเราเองนะในการที่จะทําให้จิตใจนั้นมีความหนักแน่นมั่นคงนะแล้วก็มีความเพียรพยายามมีความตั้งใจโดยเฉพาะการที่เรามาวัดปาสุโกโตเนี่ยนะเราคงจะเริ่มต้นจากการที่เรามีความศรัทธานะมีความศรัทธาว่าที่นี่่นะจะเป็นที่ที่เราได้ มาเรียนรูนะ้เรื่องชีวิตเรื่องจิตใจของเราไม่มีความศรัทธาแล้วก็มีความเพียรพยายามลงภ่ายได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นสารประโยชน์เป็นข้อปฏิบัติต่างๆเราก็ไปทดลองไปทําไปปฏิบัติการที่เราเจริญสติก็ดีการที่เราทํากิจกรรมต่างๆก็ดีส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจของเรา นะเพื่อให้เป็นจิตใจที่ดีงามนะเป็นจิตใจที่หนักแน่นนะเป็นจิตใจที่มีความสุขนะเมื่อเรามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราได้พัฒนานะ จ, จิตใจนะที่อาจจะแต่ก่อนนะอาจจะเป็นจิตใจที่คิดถึงแต่ตัวเองนะหรือว่าให้ความสำคัญกับตัวเอง นะเมื่อเรามาอยู่ในที่ชุมชนในสังคมร่วมกันนะเราก็มีการช่วยเหลือกันมีการช่วยงานส่วนรวมนะอย่างเรามีวันกรรมกรนะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่อ ง, องการที่เราได้ขัดเกลานะใจิตใจของเรานะโดยการทํางานส่วนรวมอันนี้ก็เป็นส่วนของการที่เราได้ฝึกนะที่จะทําทงานแล้วก็จะคิดถึงตัวเองน้อยลงนะคิดถึงคนอื่นมากขึ้น นี่ก็เป็นเรื่องของการที่เรานะใช้ชีวิตนะเพื่อการพัฒนาจิตใจของเราอันะนี้ก็เป็นส่วนที่สามส่วนที่สนีะ่เป็นส่วนสุดท้ายอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สาคัญนะก็คือการพัฒนาปัญญ า, นะ เ, รา เ, รเราเรียกว่า <c oughs> ปัญญาภาวนานะเามื่อพูดถึงปัญญาเนี่ย <c oughs> มันก็มีตั้งแต่ปัญญาในระดับเบื้องต้น ก็นะคือการได้ยินได้ฟังนะสิ่งที่ครูบาอาจารย์เพื่อนกัลายาณมิตรนะได้พูดได้คุยได้นำเสนอนะและเราก็ <c oughs> น้อมเอามาพิจารณานะบางส่วนอาจจะเห็นด้วยบางส่วนอาจจะไม่เห็นดะ้วยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังโนะดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารต่งตางๆนะที่เราได้รับเข้ามา นะไม่ใช่เฉพาะข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเมื่ออยู่วัดป่าสุกโ ต, โตแม้แต่ข้อมูลข่าวสารใ น, ในเรื่องราวต่างๆนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นเรื่องราวทางด้านเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆและบางทีในช่วงที่เราอยู่ที่นีนะ่เราก็พยายามที่จะรับข่าวสารนั้นน้อยลงนะเพื่อที่จะให้เรานั้นนะมีสตนะิอยู่กับตัวเราเองนะหรือบางทีเราก็รับเข้ามา นะข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษนะทําใหเา้เราเกิดความฟุ้งซ่านนะทําให้เราวิตกกังวลนะจะเป็นเรื่องการงานเป็นเรื่องของครอบครัวนะเป็นเรื่องต่างๆเนี่ยบางทีเราก็ต้องวางเอาไวนะ้ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องอาศัยการที่เราใช้ปัญญาพิจารณานะว่าสิ่งใดควรรับเข้ามาสิ่งใดไม่ควรรับ เข้ามานะใช้ปัญญาไขาควรพิจารณานะนอกจากนั้นนะปัญญาในส่วนที่สำคัญนะเป็นปัญญาที่เกิดจากการที่เราได้เจริญสตนะิได้เห็นกายที่เคลื่อนไหวนะเห็นใจที่นึกคิดนะซึ่งตรงนี้เนี่ย <c oughs> ก็จะทำให้เราสามารถที่จะเห็นความจริงนะของชีวิตและก็สิ่งต่างๆได้ นะแต่ก่อนนั้นเมื่อเราไม่ได้มาฝึกฝนอบรมส่วนใหญนะ่เราก็จะเพลิดเพลินนะไปกับความสุขสนุกสนานนะหรือบางทีเราก็ร <c oughs> ู้สึกทุกข์ใจนะกับเรื่องราวต่างๆนะที่ทําให้เราไม่สบายใจนะแล้วเราก็ไปจมนะไปแชนะ่อยู่กับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราได้มาเจริญสตินะเราได้มาทําฝึก กรรมฐานเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดปัญญาชนิดที่เป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนานะเรียกว่าภาวนามยปัญญานะเป็นปัญญาที่เกิดจากการที่เราได้เห็นความจริงนะของร่างกายที่มัน เ, เจ็บปวดนะที่มันร้อนมันหนาวนะหรือว่ามันรู้สึกสบายไม่สบายนะรวมถึงถึง จิตใจนะที่มันคิดนึกไปเรื่องราวต่างๆนานานะนะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเมื่อเราไม่ได้ฝึกนะเราก็ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้นะมันก็ไม่เกิดปัญญานะเรียกว่าเราไม่เห็นความจริงของชีวิตจริงๆนะเราก็ไปหลงจมนะหรือไปยึดถืออยู่ในความคิดเดิมๆนะหรือในความเชื่อเดิมๆนะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะหลุดพ้นนะจากความ ทุกหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามา <c oughs> พัฒนาปัญญานะด้วยการเจริญสตนะิตรงนี้ก็จะทำให้เรามีความรู้เท่าทันนะในร่างกายจิตใจนะแล้วก็รู้จักปล่อยรู้จักวางนะเพราะว่าการที่เราพิจารณาเห็นความจริงเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึก <c oughs> หนักขึ้นมานะเมื่อเราไปยึดไปถือ นะหรือไปคาดคะเนสิ่งที่เกิดขึ้นนะภายในตัวของเราแล้วนะเราก็ไปคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องเที่ยงแท้แน่นอนนะมันต้องเป็นไปอย่างที่ใจเรานึกคิดหรือเป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปบังคับบัญชามันได้นะมันจะแปรเปลี่ยนไปมันจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยต่างๆมันไม่ได้เป็นตามใจเรา นะซึ่งตรงเนี้มันก็จะทำให้เกิดการปล่อยการวางนะการที่เราไปยึดไปถือแล้วมันหนักนะตรงเนี้ก็จะทำให้เกิดการปล่อยวางขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยนะกลับคืนสู่ความเป็นปกตินะเป็นอิสระภาพนะที่เคยถูกครอบงำนะด้วยความคิดปรงแต่งต่างๆเนะพราะความที่เราไม่รู้เท่าทันนะในความคิดปรงแต่งเหล่านี้นี่เอง นะโดยเฉพาะความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดนะความคิดจุกคิดจิกคิดไม่จบไม่สิ้นทนะีนี้เมื่อเราได้มาฝึกเจริญสตินะเกิดปัญญาขึ้นมานะเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้นะแล้ว ก, เก็เกิดการปลดปล่อยปล่อยวางนะจิตใจก็คืนสู่ความเป็นปกติเป็นอิสระภาพนะแล้วก็ได้สัมผัสกับความสุขที่ประณีตเป็นความสุขที่มีอยู่แล้ว นะที่มีแล้วที่ธรรมชาติมอบให้เรามาแล้วนะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัญญาในระดับสูงสุดนะที่เกิดจากการที่เราได้พัฒนาหรือภาวนาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้มาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่วัดป่าสุกโตนะได้มีการใช้ชีวิตที่เป็นชีวิตแห่งการภาวนาเพราะฉะนั้นคําว่าภาวนาในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการท่องบน ไม่ได้หมายถึงการอ้อนวอนนะแต่หมายถึงการที่เราได้ประพฤติปฏิบัติลงไปฝึกฝนอบรมลงไปในกิจกรรมต่างๆทั้งในกิจกรรมส่วนตัวนะัก็คือการที่เรามาเจริญสตินะแล้วก็ทั้งการช่วยนะกิจกรรมส่วนรวมนะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศนะที่เกื้อกูลให้เกิดการฝึกฝนอบรมนะจิตใจของเรา แล้วก็ชีวิตของเรานะก็จะเป็นชีวิตที่พบกับความเป็นปกติสุขนะมีสันติสุขในใจในเวลาเดียวกันมันก็ส่งผลให้สังคมนะมีสันติภาพด้วยนะคำว่าสันติภาพก็คือสภาวะสภาพที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยกลมกลืนนะอยู่กันด้วยความรักความสามคัคคนะีมีความสุขนะร่วมกัน นะแล้วก็ช่วยลดนะปัญหาช่วยลดความขัดแย้งลงไปนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทําให้การอยู่ที่วัดป่าสุก โ, โตเนี่ยเป็นการอยู่นะทีเ่เรียบร้อยนะแล้วก็เกื้อกูลให้ชีวิตเราเจริญงอกงามนะยิ่งขึ้นนะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะนําเสนอในเช้าวันนีนะ้เป็นการที่จะ ชี้ลงไปว่าการมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะทุกเวลานาทีเนี่ยเป็นชีวิตแห่งการภาวนานซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้านในชีวิตและก็เกิดสันติสุขในส่วนรวมต่อไปนในเช้าวันนี้ก็คงจะมีสิ่งที่จะพูดคุยนำเสนอไว้เพียงเจ้านี้นในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอากุลของพระีรัตนตรัย นะแล้วก็ <c oughs> ความเพียรพยายามในะแห่งการภาวนาหรือการตั้งใจนะที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้กับชีวิตให้กับส่วนรวมนะเป็นส่วนที่จะ น, นนำนะให้เราได้เข้าถึงนะที่สุดนะของทุกนะทั้งในส่วนตนและในส่วนรวมในเด ว, วันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร